บทที่สี่สิบความพลัดพรากเรือส่วนตัวแล่นมาถึงวัดตโนดในแรมคนขับจอดให้คุณจเจริญลง เขาจะกลับมารับอีกครั้งหนึ่งเมื่อเวลาหกโมงครึง่งขึ้นจากเรือแล้วนุมน้อยก็หันมาโบกมือให้กับหนึ่งนมและห้าสาวที่นั่งอยู่ในเรือสาวน้อยสามคนโบกมือตอบพลางส่งเสียงเจ้ยแจ้วส่วนคู่แฝดได้แต่ยิ้มจางๆในหน้าไม่บายคะ่ะคุณจเจริญตั้งใจเรียนนะคะอย่าทะเลทลัย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 ทั้งที่จากกันไปเพียงสองชั่วโมงเสรเศษความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนนับแต่บิดามาอยู่ร่วมบ้านเขาแอบสังเกตว่าคุณจเจริญขลุมลงไปก็พอจะดูออกว่าบิดาริษยายาติผู้น้องแต่ในฐานะลูกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะไปว่ากล่าวตักเตือนแต่อย่างใดครั้นจะบอกคุณสายใจผู้เป็นมารดาก็เกรงว่าจะทาให้เธอเสียใจ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 คุณยายได้ให้สัญญากับผมแล้วว่าจะอยู่ไปจนถึงหนึ่งร้อยหนึ่งปีหนุ่มน้อยพูดในใจเมื่อเดินไปได้สักครึ่งทางก็มีพระพิสุชราเดินสวนมาเพียงมองแวบเดียวก็รู้ว่าเป็นหลวงตาวัดตนดคนที่พระมหาลมัตเล่าให้ฟังว่ามาอาศัยผ้าเหลืองหากิน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 มานานจึงแกล้งด่าซึ่งซึ่งหน้าไอลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนถึงไม่รู้จักหกลีกทางให้พระสงฆ์องค์เจ้านารกจะกินหัวมึงนุ่มน้อยจึงย้อนว่าคุณน่ะหรือเป็นพระพระที่ไหนเขาแอบกินยาฝิ่นต่อนกเขากินข้าวข้าคิดว่าผมไม่รู้หรือไง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 ที่มาบวชก็เพื่อจะได้เงินมากินยาฟินพวกชาวบ้านผู้โง่เขลาเห็นคนโกนหัวหอมผ้าเหลืองก็คิดว่าเป็นพระพากันนำปัจจัยมาถวายเขาจึงมีเงินกินยาฟินด้วยประการชนี้ทำไมจะไม่เกี่ยวผมรู้ดีว่าคุณต้องถูกแผ่นดินสูบแบบเดียวกับพระเทวทัตหนุ่มน้อยโต นึกขอบคุณผู้เป็นยายที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้แก่เขาถึงจะเกลียดพระหากเขาก็รักพระพุทธเจ้าและห่วงใ ย, ยพระศาสนาเออกูจะจําไว้กูจะเล่นงานมึงมึงว่ากูกินยาฝิ่นทำไมโจรในร่างพระเห็นว่าจะเถียงกันเรื่องพระเทวทัตก็ไม่ได้แน่เพราะตนไม่รู้จักพระเทวทัต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 คุณอย่าเพิ่มมาด่วนตายจากไปก่อนก็แล้วกันคุณเจริญรับคำท้าทั้งวาจา ก, ก็ยั่วยวนจนเท่าไม่รู้จะโต้อตอบประการใดทั้งรู้สึกหิวฟินเป็นกำลังจึงเลี่ยงหาทางให้หนุ่มน้อยแล้วก็รีบเดินกลับวัดนายแรมนำเรือเข้ามาจอดในลำประดงด้านทิศใต้พวกเด็กๆ ก, ก็พากันขึ้นจากเรือ คุณสายทองกับคุณสายทิพ ป, ปวดท้องมากจนขึ้นเรือนไม่ไหวคุณสายแก้วต้องไปเรียนแม่วาดและสาวๆในครัวมาช่วยกันอุ้มขึ้นสายทองปวดท้องหนักช่วยพาไปห้องสุขาหน่อยคุณสายทองบอกพวกสาวๆที่มาช่วยกันอุ้มหล่อนขึ้นบ้านสายทิพตก็ปวดค่ะปวดมากด้วย บรรดาสาวใช้จึงช่วยกันประคองนายสาวทั้งสองคนไปยังห้องสุขาโชคดีที่บ้านสามกระไดมีห้องสุขาถึงห้าห้องสองสาวจึงไม่ต้องรอกันออกจากห้องสุขาแล้วพี่น้องฝาแฝดก็ยังไม่หายปวดท้องประเดี๋ยวหนึ่งก็ร่ำร้องให้พาไปห้องสุขาอีกเข้าๆออกๆอยู่อย่างนี้กระทั่งหมดเรี่ยวหมดแรง ทั้งสองคนคุณหญิงห่วงไม่เป็นอันจะทาอะไรพระสงสารหลานคุณสายใจกับแม่วาดช่วยกันหาอยู่ยามาให้กินแต่คู่แฝดก็อาเจียนออกมาหมดคุณหลวงเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งในแรมให้เอาเรือออกพาไปโรงพยาบาลสิริราชดีกว่าอาการไม่น่าไว้ใจเลยแม่สายแก้วกับแม่สายทาน ไปจัดของให้น้องเร็วเข้าเอาพวกเสื้อผ้ายาสีฟันแปรงสีฟันไปด้วยท่านสั่งหลานสาวดิฉันกับพ่อประพ์จะพาหลานไปเองคุณพ่ออยู่บ้านเถะค่ะคุณสายใจบอกบิดาเมื่อเห็นท่านเตรียมตัวจะไปด้วยพ่อไปด้วยดีกว่าเพื่อจะเจอหมอที่รู้จักกันจะได้ฝากให้เขาช่วยดูแล ผมมีเพื่อนหลายคนที่ทำงานอยู่ที่นั่นให้ผมไปกับแม่สายใจเธอครับคุณพ่ออยู่ดูแลคุณแม่ดีกว่าคุณเปี่ยมรับอาสาเป็นโอกาสที่เขาจะได้ใกล้ชิดภรรยาทั้งจะทำตนให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวที่เขาได้มาอาศัยอยู่ด้วยดีเหมือนกันพ่อก็ไม่อยากนั่งเรือสักเท่าไหร่มันคอยจะเวียนหัวอยู่เรื่อย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 คุณสายแก้วกับคุณสายทานร้องไห้สงสารน้องคุณสายใจก็น้ำตาไหลคุณเปี่ยมกับคุณประพ์แม้จะไม่ได้ร้องไห้แต่ดวงตาแดงกล่ำคุณช่วยหลานฉันด้วยนะคะอย่าให้เขาเป็นอะไรไปอีกคนเลยคุณสายใจบอกบุรุษพยาบาลครับผมจะนำไปห้องฉุกเฉินเดี๋ยวนี้ คุณเปียมรีบไปถามหาเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลโชคดีที่คนหนึ่งเป็นแพทย์เวนจึงให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีคุณสายทองถูกนำเข้าไปในห้องฉุกเฉินพักใหญ่แพทย์เวนผู้นั้นก็ออกมารายงานว่าคนไข้ปลอดภัยแล้วในถ้ามาช้าอาีกนิดเดียวก็คงไม่รอดเหมือนกัน หลานดิฉันเป็นยังไงคะคุณหมอคุณสายใจถามได้รับเชื้ออหฮิวาอย่างแรงครับแพทย์เวณตอบเชื้ออะไรคะคุณสายใจไม่เคยได้ยินคำคำนี้มาก่อนเชื้ออหฮิวาครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโรคหาคราวนี้คุณสายใจเข้าใจแจ่มแจ้ง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 ส่วนโลงศพจะหาซื้อจากที่นี่เลยหรือว่าจะไปหาซื้อเอกข้างหน้าคุณเปี่ยมปรึกษาภรรยาดิฉันว่าไปหาซื้อเลยดีกว่าระหว่างที่รอใบมรณะบัตรคุณเปี่ยมกับพ่อประพ์ช่วยกันไปหาซื้อโลงศพให้หน่อยไปดูแถวๆหลังโรงพยาบาลมีอยู่หลายร้านพูดพลางควักเงินออกมาจากไทยส่งให้บุตรชาย ผมว่าไปหาซื้อตามร้านริมน้ำดีกว่าจะได้เอาเรือไปซื้อได้เลยเดี๋ยวผมจะไปกับในแรมแล้วสองพ่อลูกก็พากันเดินไปที่ท่าเรือซึ่งในแรมรออยู่ซื้อลงศกได้แล้ว คุณเปี่ยกับลูกชายก็กลับมาที่โรงพยาบาลอีกคุณสายทองออกจากห้องฉุกเฉินและถูกนําไปอยู่ห้องพิเศษคุณสายใจและพี่สาวทั้งสองของหล่อนเฝ้าดูอาการอยู่คุณสายทิพย์เป็นอย่างไรบ้างคะคุณป้าหล่อนถามหาคู่แฝดทันทีที่รู้สึกตัวคุณสายแก้วกับคุณสายทานมองหน้ากันและทำท่าจะร้องไห้อีก ผู้เป็นป้าจึงพูดตัดบทว่าแม่สายแก้วกับแม่สายทานไปดูพ่อประพน์เขาสิไปซื้อของได้หรือยังพี่น้องสองสาวจึงถูโอกาสออกมาจากห้องคุณสายที่เป็นอย่างไรบ้างคะคุณสายทองถามอีกเธอสบายไปแล้วจกักแม่สายทองอย่าห่วงเธอเลยคุณหมอให้เธอกลับบ้านกับป้า ส่วนแม่สายทองต้องอยู่ที่นี่อีกสักสามสี่วันรอให้หายดีซะก่อนจึงค่อยกลับบ้านคุณสายใจพยายามที่จะไม่พูดปดแล้วทำไมเธอไ ม, ไม่เยี่ยมสายทองล่ะคะคุณป้าเธอคงอยากมาเหมือนกันแต่หมอเขาไม่อนุญาตคงกลัวว่าจะมาติดโรคจากแม่สายทองกระมังว่าแต่ว่าลูกไปกินอะไรมาถึงได้เป็นโรคหา คุณสายใจพาออกนอกเรื่องโรคหาหรอคะหลานสาวทำหน้าตกใจแล้วสายทองรอดชีวิตมาได้ยังไงแล้วคุณสายทิพย์ล่ะสายทิพย์อาจจะตายแล้วหล่อนร้องไห้สีอึกสะอื่นมนึกถึงน้องสาวคู่แฝดทําไมลูกคิดถึงว่าแม่สายทิพย์ตายทําไมลูกถึงคิดว่าแม่สายทิพย์ตาย ผู้เป็นป้าออกแปลกใจต่อคาพูดของหลานสาวที่เธอเลี้ยงมาเหมือนลูกก็เขาทานมากกว่าสายทองทานอะไรทานส้ตมตำปูดองค่ะคือตอนโรงเรียนเลิกห้องสายทองกับสายทิพย์ปล่อยก่อนเราก็เลยเดินมาที่ท่าเรือเห็นนายแรมยังไม่มาจึงพา ก, กันเดินไปที่ตลาดสั่งส้งตมตำปูดองมาทานกัน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 นั่นแน่เฝ้าแม่สายทิพย์อยู่ที่เรือโน่นเป็นอย่างไรบ้างล่ะหนูเขาถามคนไข้คุณสายทิพย์ตายแล้วใช่ไหมคะคุณลงุงคุณสายทองถามอีกคุณเปลี่ยมมองหน้าภรรยาเหมือนจะปรึกษาว่าควรตอบอย่างไรดีคุณประพ์จึงพูดขึ้นว่าคุณสายทองทำใจดีๆเถอะครับ เรื่องเกิดเรื่องตายเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับมนุษย์ผมว่าคุณสายทิพย์เธอไปสบายแล้วเห็นไหมคุณสายทิพย์ตายแล้วจริงๆด้วยสายทองสงสารเธอเลือกเกินแล้วหล่อนก็ร้องไห้คล่ำครวญคุณประพจน์จึงบีบมือบอ บ, บางที่ดูซี่เซียวนั้นพลางปลอบคนเราเกิดมาก็ต้องตายทุกคนนั่นแหละครับ เพียงแต่ว่าจะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับว่าเราทากรรมมาเช่นไรแต่คุณสายทิพย์ไม่น่าตายคนที่ตายน่าจะเป็นสายทองคนที่ชื่อสายทิพย์ไม่ควรตายใช่ไหมคะหล่อนถามญาติผู้พี่แม้เทวดาซึ่งเป็นทิพย์ก็ยังต้องตายนี่ครับคุณสายทองจะไม่ได้แล้วหรือคุณตาเคยเล่าให้พวกเราฟังแม้แต่เทวดา ซึ่งมีอายุทิพย์เมื่อถึงเวลาก็ยังต้องจุตินับระษาอะไรกับคนเดินดินอย่างเราๆแต่คุณสายทิพย์ไม่น่าจะตายเร็วอย่างนี้เธอควรจะอายุยืนเหมือนอย่างคุตาคนยายคนไข่เถียงทั้งที่รู้สึกเพียและอ่อนลา้า คนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันนี่ครับคุณสายทองไม่เช่นนั้นจะมีคนรวยคนจนคนสวยคนอั ป, ปลักษณ์คนโง่คนฉลาดหรือผมว่าคุณสายทองอย่าคิดมากเลยครับพักผ่อนให้มากมากดีกว่าจะได้หายเร็วๆไม่งั้นจะเรียนไม่ทันเพื่อนคุณพ่อคุณแม่จะกลับไปจัดการเรื่องศพคุณสายทิพย์ สายทองอยากไปงานศพคุณสายทิพย์ค่ะขอสายทองไปด้วยนะคะสาวน้อยอ้อนวอนคุณกำลังไม่สบายนะครับคุณสายทองเอาไว้หายแล้วค่อยว่ากันใหม่คุณประพศป ร, รามแล้วใครจะอยู่เป็นเพื่อนสายทองล่ะคะผมนี่ไงพรุ่งนี้คุณพ่อจะไปตามคุณน้าสายจิตกับคุณน้าอิน ทำไมไม่ให้คุณสายแก้วกับคุณสายทานมาเฝ้าสายทองล่ะคะคนไข้าถามอีกเพราะเขาอนุญาตให้เฝ้าได้คนเดียวและที่นี้คุณสายแก้วกับคุณสายทานเธอเป็นผู้หญิงผมเกรงว่าจะไม่ปลอดภยัยไม่มีที่แห่งไหนปลอดภัยสําหรับผู้หญิงแม้แต่ในวัดจะไม่ได้หรือที่ผู้หญิงคนหนึ่งหนีผู้ชายที่จะคมคืน เธอเข้าไปในวัดเลยถูกลูกศิษย์วัดข่มขืนผู้หญิงเป็นเพศที่มีอันตรายรอบด้านขนาดอยู่บ้านตัวเองยังถูกพ่อบังเกิดกล้าวข่มขืนก็ยังมีคุณประพจน์ยกตัวอย่างกรรมของผู้หญิงนะคะชาติหน้าสายทองจะไม่ขอเกิดมาเป็นผู้หญิงอีกแล้วแม่จะไปแล้วนะพ่อประพจน์ดูแลน้องให้ดีๆนะอย่ามัวนอนหลับเพลินละ่ะ ปรเดี๋ยวจะให้นายแรมเอาเสื้อผ้ามาให้ป้าไปแล้วนะสายทองขอพระคุณค่ะคุณป้าขอพระคุณค่ะคุณลุงหล่อนกระพุ่มมือไหว้คุณสายใจและคุณเปี่ยมเขาจะเอาศกคุณสายทิพย์ไปไว้ที่วัดไหนคะคุณประพ์คุณสายทองถามอดร้องไห้ไม่ได้ด้วยว่าหล่อนกับคุณสายทิพย์รักกันมากที่สุด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 คุณสายทองออกความเห็นพอดีคุณพ่อท่านคุ้นเคยกับสมพารวัดสี่หน้าส่วนวัดตนตท่านไม่รู้จักใครอีกประการหนึ่งคุณตาคุณยายก็เคยไปช่วยสร้างโบสถ์สร้างสลาวไว้ที่วัดสี่หน้าเรียกว่าเคยทำบุญกับวัดนี้มาก็ควรที่จะมาพึ่งวัดนี้สงสารคุณตาคุณยายนะคะท่านคงเสียใจมาก ที่หลานสาวมาจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยที่จริงคนที่ตายน่าจะเป็นสายทองหรือไม่ก็ตายทั้งคู่เพราะเรามาด้วยกันก็น่าจะไปด้วยกันอีกแล้วเอาอีกแล้วคุณสายทองพูดเพ้อเจ้ออีกแล้วไม่เอานาประเดี๋ยวผมก็ได้เคี่ยนให้หรอกคุณประพศุป ร, รามและทำหน้าดุใส่คนที่มีศักดิ์เป็นน้องสาว ป่านนี้คุณเจริญจะรู้หรือยังนะว่าคุณสายทิพย์เธอตายแล้วคุณสายทองเปลี่ยนเรื่องพูดคุณประพ์คนลุกสู้โดยไม่มีสาเหตุพูดกับคุณสายทองว่านั่นสิแล้วเธอจะเสียใจสักเพียงไหนหนอขนาดผมเป็นคู่ปรับของคุณสายทิพย์ยังเสียใจถึงเพียงนี้คุณเจริญเขาชอบพอกับคุณสายทิพย์ คงจะเสียใจยิ่งกว่าผมหลายเท่านุ่มน้อยพูดเสียงเกลือพลางซ่อนหน้าไม่ให้คนบนเตียงเห็นน้ำตา